เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าพร ะ, ระมหาภัยบณ์อาภิปุณโณจากวัดป่าดอนไหสุงอําเภอนองหานจังหวัดอุดรธานีในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของทางจิจตใจตา้งุฟังจิตใจนี้ก็จะมีผลส่งออกมาทางกายด้วยทางวาจาด้วยคือถ้าถจิตใจมีสัมมาทิฏฐิ มีสัมมาสติเป็นต้นแล้วเนี่ยกายวาจาก็ออกมาในรูปของคนที่มีศีลมีความเมตตามีวาจาที่บ่งบอกถึงความเมตตามีการกระทาที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละทุ่มเทในการกระทาอันนี้เราจะเห็นได้จากจิตใจของผู้ที่มีธรรมะซึ่งสิ่งที่จะปรากฏออกมาต่างายนอก ที่เราจะเห็นได้ทางกายทางวาจาเนี่ยคือถ้าดูผิวเผินดูแค่หน้าตารูปร่างเนี่ยบางีก็ไม่สามารถบอกได้ถ้าคนยืนอยู่นิ่งๆไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ทําอะไรเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าข้างในจิตใจเขานั้นเป็นอย่างไรเขาจะมีการกระทําหรือมีคําพูดอย่างไรอย่างไรโดเครื่องวัดเพียงแค่การดูภายนอกเนี่ยจะไม่สามารถบอกได้ อันนี้จะเป็นเหตุอันหนึ่งทั้งสองฝังที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสถึงว่าการที่เราจะถือประมาณในบุคคลอื่นๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำเพราะว่าการถือประมาณโดยใช้เรื่องของสิ่งที่เราเห็นเรารู้สึกได้เนี่ยจากความรู้สึกของเราคือพูดง่ายๆคือกัน5เนี่ยนะจะไปเอาเป็นประมาณสิ่งที่มันเหนือกว่ากัน5จะเอาเป็นไปประมาณสิ่งที่มันพ้นจากขันห้าแล้ว เป็นเรื่องดีทำไม่ได้แล้ไม่ควรทำจะทำให้การตัดสินใจหรือว่าการเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของเราผิดพลาดไปเป็น ต, ตัวอย่างในสมัยพุทธกาลก็มีมีภิกษุที่ชื่อว่าลกกุลตะพัติยะจริงๆชื่อของท่านเนี่ยก็ชื่อว่าพัติยะนี่แหละภิกษุชื่อภัติยะภัติยะองค์ไหนอ่ะเพราะว่าก็มีหลายคนหนึ่งในบรรดาวักขีก็ชื่อพัติยะเอาภัติยะองค์ที่ตัวเล็กๆนั่นน่ะ เขาเรียกว่าละากาุนตกะละากุนตกะนี่แปลว่าเล็กแปะเตี้ยก็คือพระพัตยะองค์ที่ตัวเล็กๆเตีเ้ยๆนั่นแหละแต่ซึ่งรูปนี้แม้ท่านก็โดนหลายรอบพระพุทธเจ้าเอาเรื่องรูปร่างที่ท่านตัวเล็กนี่แหละมาสอนอยู่ถึงสี่วารา ด, ด้วยกันแต่ว่าคนที่ดูตัวภายนอกเล็กๆ เ, เหมือนสามเณรเนี่ยแต่จริงๆข้างในเป็นพระอารหันนะ มีความเป็นสมณะมีความเป็นปามอยู่ในเรื่องแรกได้ปรารพตึงตั้นพระละกุณฑกะพฏิยะเกี่ยวกับสามเณรรูปหนึ่งเรื่องราวเป็นมาอย่างนี้ได้ยินว่าซาธรมิก ค, คือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ที่เป็นสามเณรซึ่งเป็นปุถุชนเห็นพระละกุณฑกะพัติยะเถระแล้วก็จับที่สีสาบ้าง ที่หูบ้างที่จมูกบ้างพลางกล่าวว่าอาจจะาอาจ๋าอาไม่กระสันยังยินดีแน่นแฟนในพระาศาสนาหรือพระเถระก็ไม่โกรธไม่ประทุษร้ายในสหธรรมิกเหล่านั้นเลยเมื่อภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรองธรรมว่าผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงดูเถิด สาตมิกมีสามเณรเป็นต้นเห็นพระละกุณทกะพัทยเถระแล้วย่อมรังแกอย่างนั้นอย่างนี้ท่านไม่โกรธไม่ประทุสร้ายในสารมิกเหล่านั้นเลยก็เมื่อพระศาสดาเสด็จมาแล้วจึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดเรื่องอะไรกันก็เมื่อภิกษุเหล่านั้น กราบทูลเรื่องชื่อนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอย่างนี้ว่าอย่างนั้นแหละภิษุททั้งหลายธรรมดาพระกี่นาศพย่อมไม่โกรธไม่ปริทุสร้ายเลยพระท่านเหล่านั้นไม่วันไหวไม่เสเตียนเช่นกับศิลาแท่งทึบดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสื่อนุสนที่แสดงธรรมจึงตรัส รักถานีว่าภูเขาหินศิลาทั้งแท่งย่อมไม่สถานเสะเตือนด้วยลมฉันใดมันดิบทั้งหลายย่อมไม่เอ็นเอียงเพราะนินทาและสรนเสริญฉะนั้นบาลีว่าเซโลยะถาเอกาคโนว่าเตนะนะสมีรติเอวังนินทาปะสังสาสุ นะสัมมินชันติบันทิตาก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่านินทาปะสังสาสุแปลว่าพระนินทาและสรรเสริญพระผู้มีพระปาเจ้าตรัสโลกธรรมไว้สองก็จริงถึงอย่างนั้นพึงทราบเนื้อความโดยรวมโลกธรรมแม้ทั้งแปดอธิบายความว่ า, วาเหมือนอย่างว่า ภูเขาหินศิลาตั้งแท่งเป็นแท่งเดียวกันคือไม่มีโปรงย่อมไม่สถทานสเตือนคือไม่เอ็นเอียงไม่หวั่นไหวด้วยลมต่างด้วยลมพัดมาแต่ทิศตะวันออกเป็นต้นแม้ฉันใดก็เมื่อโลกกาะทำแม้ทั้งแปดครอบงำอยู่มันดิตทั้งหลายย่อมไม่เอ็นเอียงคือไม่หวั่นไหวไม่สะเตือน้ดยอำนาจความยินดี หรือหยินรายฉะนั้นอันนี้คือในเรื่องที่หนึ่งคือวาระที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าเอาเรื่องของพระละกุลตกระพัฏติยะพันติยะองค์ที่ตัวเล็กๆเท่เนี่ยแหละเอามาสอนในคำอธิบายตรงนี้ในที่พูดถึงนินทาสรนเสรนเนี่ยอันนี้ท่านขยายความไว้อย่างดีว่าไม่ใช่แค่นินทาสัรเสริญอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงโลกธรรมทั้งแปดอย่างด้วยสุขด้วยทุกข์ด้วย มีราบเสื่อมราบด้วยเป็นต้นเนี่ยเราอ่านธรรมะวิเคราะห์ใกร่ครวนพิจารณาแล้วบันีดก็จะมีการแตกลูกออกไปมีความเข้าใจที่สอดคล้องอันนี้ก็จะเป็นธรรมะที่แตกแยกออกมาได้ในวาระที่สองก็ได้ปราลรบท่านพระพัตยะรูปนี้อีกเหมือนกันคราวนี้พวกภิกษุทั้งหลายก็คิดว่าเออตัวเล็กๆเป็นคงเป็นสามเณรคงไม่ได้มีคุณธรรมอะไร ก็อย่างที่ว่านะต้าผู้ฟังดูแค่ภายนอกมันจะไปรู้ได้อย่างไรเรื่องคุณธรรมขั้นสูงในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมันอยู่ภายในไม่ได้ดูที่ภายนอกวันหนึ่งเมื่อพระเตระนั้นไปเฝ้าพระศ า, าสดาพอเดินออกมาภิกษุผู้อยู่ป่าประมาณสามสิบรูปมองเห็นท่านะดีกลันมาถึงที่เข้าเฝ้า ถวายบังคมพระาศาสดาแล้วจึงได้นั่งอยู่พระาศาสดาทอดพระเนตรเห็นอปนิสัยแห่งพระอรหันต์ของภิกษุเหล่านั้นจึงตรัสถามว่าภิกษุตัง้งหลายมีพระเถระองค์หนึ่งออกไปจากที่นี้พวกท่านเห็นหรือไม่พวกภิกษุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ไม่เห็นพระโชก้า พระศาสดาก็พวกเธอเห็นพระเตระรูปนั้นไม่ใช่หรือพวกภิกษุพวกข้าพระองค์เห็นแต่สามเณรรูปหนึ่งพระเจ้าข้าพระศาสดาภิกษุทั้งหลายนั่นไม่ใช่สามเณรหรอกนะนั่นเป็นพระเตระต่างหากพวกภิกษุแต่ว่าตัวของท่านเล็กมากพระเจ้าข่าพระศาสดาภิกษุทั้งหลาย เราไม่เรียกว่าเถระเพราะเพียงนั่งในลำดับที่ของพระเทระด้วยความเป็นคนแก่ผู้ใดแต่งตลอดศัจจะแล้วตั้งอยู่ในความเป็นผู้ไม่เบียดเบียนมหาชนผู้นั้นชื่อว่าเป็นเทระแล้วจึงได้ตรัสพระกาถาเหล่านี้ว่าบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นเทระเพียงเพราะมีผมงอกบนสีรษะ ผู้แก่ง่อมตามวันั้นเราเรียกว่าคนแก่เปล่าส่วนผู้ใดมีสัจจะอหิงสาธรรมะสัญมะและธรรมะผู้นั้นแหลคคายมนต์ดินได้ผู้มีปัญญาเรากล่าวว่าเทระบาลีว่านะเตนะเท โ, โรโหติเยนสสะ ปะลิตังสิโรปะริปะโกวโยตัตสโมคชินโนติวุจติยัมหิสัจจันจะธัมโมจะอหิงสาสัญญโมทัโมสะเววันตมาโลทีโรโสเทโรติปะ ว, วุจติในบรรดาคำเหล่านั้น คำว่าปริปะโกแปลว่าแก่งอมหมายความว่าถึงความสุดโทรมไปทั่วคือถึงความเป็นคนแก่คำว่าโมคชินโนแปลว่าคนแก่เปล่าหมายความว่าชื่อว่าแก่เปล่าเพราะภายในไม่มีธรรมะที่ทำให้เป็นเทระคำว่าสัจจันจะ หมายถึงสัจจะหมายความว่าก่บุคคลใดมีสัจจะทั้งสี่เพราะแทงตลอดด้วยอาการสิหกและมีโลกุตรธรรม9้าอย่างเพราะทำให้แจ้งด้วยญาณคำว่าอาหิงสาหมายความว่าไม่เบียดเบียนยกมาเป็นเพียงหัวข้อคือรวมถึงมีอัปปมัญญาภาวนาสอย่างด้วย คำว่าสั ญ, ญโมและธโมคือสั ญ, ญมะและธรมะได้แก่ศีลและอินทรังวรคำว่าวันตะมะโลแปลว่าผู้ใยรหมุนทินได้ได้แก่มีหมุนทินอันนำออกแล้วด้วยมรคยานคำว่าทีโรแปลว่าผู้มีปัญญา ได้แก่สมบูรณ์ด้วยปัญญาเครื่องทรงจำคัม่าเทโรแปลว่าเทระหมายความว่าผู้นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเรียกว่าเทระพระมีทำเครื่องทำให้เป็นผู้มั่นคงเหล่านี้คือในวาระที่สองที่พระพุทธเจ้าก็ใช้รูปร่างลักษณะของด้านพระลักษกุการนี่แหละ สอนพิสูจ์ทั้งหลายอีกเหมือนกันไม่ใช่ว่าตัวเล็กแล้วก็จะไม่ได้มีความเป็นเทระแต่ความเป็นเทระนั้นอยู่ที่ข้างในใจคำหนึ่งที่ท่านได้อธิบายไปตรงนี้คือเรื่องของคําว่าสัจจะบางคนจะเข้าใจว่าเป็นแค่การรักษาศีลธรรมดามีวาจาไม่โกหกเป็นสัจจะแบบนี้แต่ในที่นี้มีความหมายที่ลึกซึ้งไป ก, กว่านั้นนะคํ า, านะคว่าสัจจะนี่ไม่ใช่แค่หมายถึงวาจาสัตย์ที่เราจะเข้าใจเป็นในเรื่องของศรรีล แต่คำว่าสัจจานี้หมายถึงเรื่องของอริยสัจสีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการอ่านคําอธิบายตรงเนี้บางทีจะทำให้เรามีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในงแง่มุมไหนที่มันจะสอดคล้องลงรับกันเราก็มาพิจารณาดูได้ในวรรที่สามท่านผู้ฟังอันนี้ถ้าไม่ได้ฟังคําอธิบายนี้โอ้โหจะต้องเป็นจะต้องเป็นเรื่องใหม่ไปเลยล่ะทําไมพระพุทธเจ้าบอกพระรูปนี้นตัวเล็กเล็กที่ทำไมฆ่าพ่อฆ่าแม่ หมายความว่าอย่างไรนับมาฟังเรื่องที่สาที่บรารพท่านพระละักกุณดกะพันิยะในการบอกสอนภิกษุไม่ให้เป็นผู้ปรือประมาณในบุคคลอื่นเพียงดูแต่รูปร่างลักษณะภายนอกหรือขันธ์ห้าอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่จะต้องดูถึงคุณธรรมที่อยู่ข้างในภายในใจด้วยในวันหนึ่งภิกษุอาคันตุกะหลายรูปด้วยกันเข้าไปเฝ้าพระศาสดา ซึ่งประทับนั่งนะที่ประทับกลางวันถาวายบางคมแล้วนั่งนะที่สมควรข้างหนึ่งขณะนั้นพระละกุณตกะพัติยะเถระเดินผ่านพระผู้มีพระภาคเจ้าไปในที่ไม่ไกลพระศาสดาทรงทราบความคิดของภิกษุเหล่านั้นจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นหรือไม่ ภิกษุรูปนี้ค่ามารดาบิดาแล้วเป็นผู้ไม่มีทุกข์สัจนจรไปก็เมื่อภิกษุเหล่านั้นมองดูหน้ากันแลกันแล้วก็วงฉนว่าพระศาสดาตรัสอะไรน้อแลดองนี้แล้วจึงได้ทูลถามว่าโปรดตรัสบอกพระตํารัสนั้นหมายความว่าอย่างไรพระเจ้าเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้น จึงตรัสพระคาถานิว่ามาตรังปิตรังหันตวาราชาโนนาเวจะคติเยรัฐถังสานุจรังหันตวาอานีโคโยาติปรามโนแปลว่าบุคคลข้ามานดาบิดาข้าพระราชาผู้เป็นกษัตริย์ทั้งสองและข้าแบนแกวนพร้อมด้วยพนัก ง, งานเก็บสวยแล้วเป็นพรามผู้ไม่มีทุกข์ สัญจรไปดังนี้ในบรรดาคำเหล่านั้นคําว่าสานุจรังแปลว่าพร้อมด้วยพนัก ง, งานเก็บสวยหมายความว่าพร้อมด้วยผู้จัดการสวยคือเจ้าพนัก ง, งานเก็บสวยก็ในประกาศานี้พึงทราบว่าตันหาชื่อว่ามารดาเพราะให้สัตว์ทั้งหลายเกิดในภพทั้งสาม ตามพระบาลีว่าตัณหาทำให้คนเกิดอาสมีมานะคือการถือว่าเป็นของเราชื่อว่าเป็นบิดาเพราะอาศัยบิดาจึงเกิดอัสมีมานะขึ้นว่าเราเป็นราชโอรสของพระราชาหรือเป็นบุตรของมหาอัามัดของพระราชาชื่อโน้นหน้งนี้เป็นตน้นและเพราะทิฏฐิทุกชนิดย่อมอิงสัตสตสตทิฏฐิ และอุเฉททิฏฐิทั้งสองเหมือนชาวโลกอาศัยพระราชาฉะนั้นสัตตะทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิจึงชื่อว่าพระราชาผู้เป็นกษัตริย์ทั้งสองอายตนะสิคืออายตนะภายใน6และอายตนะภายนอกทั้ง6ชื่อว่าแว่นแกวนเพราะคล้ายกับแว่นแกวน โดยอัดว่ากว้างขวางความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีซึ่งอาศัยอัยตนะนั้นชื่อว่าพนักงานเก็บสวยเป็นเหมือนพนักงานเก็บสวยผู้จัดการสวยคำว่าอานโคแปลว่าผู้ไม่มีทุก์ได้แก่หมดทุกคำว่าปราโมโนคือปรามได้แก่พระกีนาศพ ในประกาศานี้มีอธิบายดังนี้ผู้มีอสุบาสิ้นแล้วชื่อว่าพระกีนาศพเพราะตัดกิเลสเหล่านั้นมีตัณหาเป็นต้นได้ด้วยดาบคืออรหัตตามกยานจึงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สัญจรไปในเวลาจบเทสนาพิกสุตธเหล่านั้นได้บรรลุพระอรหัตตอนประกาศาที่สอง แม้ในพระคาถาที่สองเรื่องก็เกิดเหมือนกับเรื่องแรกนั่นแหละในคราวนั้นพระศ า, ศ, าศาสดาทรงปราร พ, พระละกุณตกะพัิยะเทรากเหมือนกันเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นจึงตรัสพระคาานี้ว่ามาตรังปิตรังหันตวาราชาโนเดเวจะโสตีเย เวยักขะปัญจะมังหันตาวาอานีโกยติปรมัมโนแปลว่าบุคคลฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระราชาผู้เป็นพรามทั้งสองได้และฆ่านิวรมีวิจิกิจฉาเป็นที่ห้าซึ่งเป็นเช่นทางเสือผ่านได้แล้วเป็นพรามผู้ไม่มีทุกข์ฉันจรนไป ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่า d ดเวจะโซติเย ja, คือดเวจะบรามเนแปลว่าผู้เป็นปรามทั้งสองก็ในพระคาถานี้พระศาสดาตรัสให้สัจสตาทิติและอุเฉททิติเป็นพระราชาผู้เป็นปรามทั้งสองพระโร่งเป็นใหญ่ในพระธรรมและเป็นผู้ฉลาดในวิธีเทศนา ในคำว่าเวยักคะปัญจมังแปลว่านิวรมีวิจิกิจชาเป็นที่ห้าซึ่งเป็นทางเสือผ่านหมายความว่ า, วาพึงวิเคราะห์ว่าหนทางที่เสือโครงเที่ยวไปมีภัยราบด้านไปลำบากชื่อว่าทางเสือผ่านชวนวิจิกิจชานิวรชื่อว่าเป็นดุดทางเสือผ่านเพราะวิจิกิจชวว า, า, านิ ว, วรเช่ววาาเนกับ หนทางเสือผ่านนั้นเป็นที่หแห่งนิวรนั้นเพราะฉะนั้นหมวดหแห่งนิวรนจึงชื่อว่ามีวิจิกิจชานิวรนเป็นที่หซึ่งเป็นเช่นทางเสือผ่านในพระคาถาที่สองนี้มีอธิบายดังนี้ว่าบุคคลฆ่าหมวดหแห่งนิวรนมีวิจิกิจฉาเป็นที่ห้าซึ่งเป็นเช่นทางเสือผ่านนี้ไม่ให้มีส่วนเหลือด้วยดาบ คืออรหัตตมรกขยานเป็นพรามผู้ไม่มีทุกข์สัญจรไปคำที่เหลือเป็นเช่นกับคำก่อนนั่นแหละเรื่องพระละกุณตะพัติยะเถระจบเพราะฉะนั้นการถือประมาณบุคคลอื่นท่านฟังเพียงดูจากการที่รูปร่างตัวเล็กดูจากภายนอกอันนี้ไม่สามารถจะบอกถึงคุณธรรมภายในใจได้ คือการที่เราจะประมาณบุคคลอื่นโดยใช้เครื่องวัดสอบแบบเนี้มันมันประมาณกันไม่ได้เื้ อ, อ น, นี้พระพุทธเจ้ายกขึ้นสอนเองโดยปรารอบภิกษุชื่อและกุณฑกะพัธิยะทีนี้เหตุการณ์ที่เป็นลักษณะความเข้าใจผิดแบบเนี้เห็นตัวเล็กๆคิดว่าจะไม่ได้มีคุณธรรมอะไรเฮ้ยเราไปนิมนต์ดูคนแก่ๆที่ดูเหมือนจะมีคุณธรรมสู ง, สง หรือดูที่รูปร่างายนอกนี่คือสถานการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นจริงเลยกับสามเณรอยู่สี่รูปด้วยกันเป็นเรื่องของสามเณรสี่รูปผู้ที่ถูกนิมนต์ไปแล้วถึงคิวถึงกราวที่จะได้รับพระตาหารและได้เป็นกราวของสามเณรสี่รูปนี้ไปเจ้าภาพเห็นสามเณรสี่รูปและกลับไม่เกิดศรัทธาก็เลยไม่ให้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 ปรามนั้นก็ไปสู่วัดแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายช่วยเลือกปรามให้ผมสี่รูปเถิดสามเณรผู้เป็นกีนาศพคือเป็นพระรันจำนวนสี่รูปอายุเจ็ดปีคือสังกิจสามเณรบัณฑิตสามเณรโสปากาสามเณรและเรวตะสามเณรได้ตกถึงปรามผู้นั้น นางพรามณีเตรียมอาสนะอันมีค่ามากไว้ยืนรออยู่ครั้นเห็นสามเณรก็โกรธบนพุ่มพำเหมือนเกลือถูกโยนลงในเตาไฟแล้วกล่าวว่าท่านไปวัดพามาซึ่งเด็กสี่คนอายุปูนหลานของตนยังน้อยไปนางพราโมณีจึงไม่ให้สามเณรเหล่านั้นนั่งบนอาสนะเหล่านั้น เธอได้ลาดตังเตี้ยๆให้นั่งโดยพูดกับสามิเนลเหล่านั้นว่านั่งบนตังนี้ได้ได้กล่าวกับพรามผู้เป็นสามีว่าพรามท่านไปเลือกพรามแก่ๆมาไหมตอนอกราสาวกไม่รับพัดของพราหมณีพรามผู้เป็นสามีไปวัดพบพระสารีบุตรเทระเรียนว่านิมนเธอท่าน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 เอาบาตแล้วก็จากไปฝ่ายนางพรามณีถามว่าพรามรูปนั้นพูดว่าอย่างไรเมื่อพรามผู้เป็นสามีบอกว่าท่านบอกว่าพรามสี่รูปนั่งอยู่ตรงนั้นควรได้ก่อนจงเอาบาตของเราคืนมาแล้วก็รับบารของตนไปแล้วนางพรามณีนั้นจึงพูดว่าพระเถระคือพรามนั่น คงไม่อยากฉันท่านจุงรีบไปเลือกพราหมณ์คนเด่นมาใหมา่พราหมณ์ผู้เป็นสามีไปพบพระมหาโมคลานเทระจึงเรียนเหมือนครั้งก่อนนำท้านมาถึงพระมหาโมคลานเทระเห็นสามเณรแล้วก็พูดอย่างเดียวกันรับบาตรคืนแล้วจากไปลำดับนั้นนางพราหมณี จึงบอกกับพรามผู้เป็นสามีนั้นว่าพรามคือสมณะพวกนั้นคงไม่อยากฉันท่านจงไปโรงสวดของพวกพรามนำพรามแก่มาคนหนึ่งฝ่ายสามนเณรทั้งหลายไม่ได้ฉันอะไรตั้งแต่เช้านั่งทนหิวอยู่ตอนเท้าสั ก, กะปรามตัวมาทรมานนางปราหมณีครั้งนั้น อาสนะของเท้าสักกะแสดงอาการเร่าร้อนพระเดชแห่งขุนของสามเณรแล้วเธอทรงใคร่กรวรดูก็ทรงทราบว่าสามเณรนั่งหิวตั้งแต่เช้าจึงทรงดำริว่าควรที่เราจะไปในที่นั้นอยงนี้แล้วจึงแปลงกายเป็นพรามแกงอมด้วยความชราประทับนั่งอยู่บนที่นั่งชันเลิศ ของพวกปราหมณ์ในโรงสวดของปราหมปราหม์ผู้เป็นสามีนั้นพอเห็นเท้าสากกะก็จึงคิดว่าคราวนี้ปราหมณีของเราคงพอใจดังนี้แล้วก็กล่าวว่าเชิญเถิดท่านไปที่บ้านกันก็ได้พาเท้าเถิดไปที่บ้านนางปราหมณีพอเห็นเท้าสา ก, กผู้จำแลงกายมาแล้วเท่านั้น ก็พอใจปูเครื่องลาชกลุ่มที่นั่งสองที่ทำให้เป็นที่เดียวแล้วกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าเชิญนั่งบนเครื่องลาดนี้เถิดเท้าสากัดที่จำแรงกายมานั้นก็เสด็จเข้าไปในบ้านไหวาสามเณรทั้งสี่รูปด้วยเป็นจังคาดประดิษฐ์แล้วประทับนั่งกัดสมาธิกับพื้นท้ายที่นั่งของสามเณรเหล่านั้น ครั้นนั้นนางปรามณีเห็นเท้าสักกะทำอย่างนั้นแล้วจึงพูดกับพรามผู้เป็นสามีว่าพรามที่พามาใหม่นี้แย่แกคงพาคนบ้ามาเขาไหว้สามนเณรปูลหลานของตนอยู่ได้พรามผู้นี้ก็ใช้การไม่ได้แกจงพาออกไปเท้าสักกะที่แปลงกายเป็นพรามนั้นเมื่อถูกจับที่คอบ้างที่มือบ้าง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 จึงได้ถวายอาหารแก่สามเณรเหล่านั้นชนทั้งห้าคนนั้นรับอาหารแล้วรูปหนึ่งทะลุมณฑลช่อฟ้าไปรูปหนึ่งทะลุหลังกาหน้าบ้านไปรูปหนึ่งทะลุหลังกาหลังบ้านไปรูปหนึ่งดำดินไปฝ่ายท้าสักกะก็เสด็จออกไปอีกทางหนึ่งคนทั้งห้าออกไปห้าทาง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 ตั้งแต่เวลาที่พราหมณีเห็นพวกกระผมพราหมณีก็เกิดฉุนเฉียวไม่ให้พวกกระผมนั่งบนอาสนะที่จัดไว้บอกให้รีบนำพราหมแก่มาอุปชัยย์ของพวกกระผมมาเห็นพวกกระผมแล้วกล่าวว่าควรให้แก่พราหมผู้นั่งอยู่เหล่านั้นได้อาหารก่อนขอบาทคืนแล้วก็จากไปเมื่อนางพราหมณีกล่าวว่า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 ภิกษุทั้งหลายฟังคำนั้นแล้วจึงกราบตูลแก่พระศาสดาว่าแ้าแต่พระองค์ผู้เจริญสามแมนเณรเหล่านี้กล่าวว่าพวกกระผมไม่โกรธพวกเธอพูดไม่จริงพวกเธอพยากรอราตผลพระศาสดาจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาพระกีนาศพทั้งหลายย่อมไม่เคียดแกนในชนผู้เคียดแกนเลย เราจึงได้ตรัสพระกาถานี้ว่าเราเรียกบุคคลผู้ไม่เคียดแค้นในบุคคลผู้เคียดแค้นเราเรียกบุคคลผู้สงบในบุคคลผู้มีอาดยานในตนเราเรียกบุคคลผู้ไม่ถือมัน่นในบุคคลผู้ถือมัน่นเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นพรามบาลีว่าอาวิรุธังวิรุเทสุอัตทันเทสุ นิพพุตังสาธาเีสุอนาธานังตมหังภารุมิปรามนังในบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าอาวิรุทังแปลว่าผู้ไม่เครียดแขนเป็นต้นหมายความว่าเราย่อมเรียกบุคคล น, นั้นคือเห็นป่านนั้นผู้ชื่อว่าอาวิรุทังคือผู้ไม่เครียดแขนเพราะ ไม่ผูกอาคาตในพวกโลกียามหาชนผู้เกียดแสนด้วยแรงอาคาดผู้ที่ชื่อว่านิพภูตังคือผู้สงบคือผู้ปลงอายาในชนทั้งหลายผู้ชื่อว่ามีอายาในตนเพราะถึงแม้จะไม่มีท่อนไม้หรือศาสตราในมือก็ไม่เว้นที่จะโต้ตอบคนอื่นผู้ที่ชื่อว่า อน า, านาถาหนังคือไม่ตือมั่นเพราะความไม่มีการยึดถือเช่นนั้นในชนทั้งหลายผู้ชื่อว่าสาธาเนสุคือไม่มีความตือมั่นเพราะยึดถือขันห้าว่าเราว่าของเราดังนี้ว่าเป็นพรามในเวลาจบเทศนาคนจานวนมากได้บรรลุโสดาปฏิผลเป็นต้นในนี้แหละเรื่องสามเณร และนี้คือเรื่องราวที่เป็นนิทานมาในนิทานธรรมบทอันนี้ก็มีส่วนที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆเหมือนกันนต่เพราะว่าตัวละครที่อยู่ในนิทานที่ยกมาอธิบายนี้เป็นตัวละครที่มีจริงๆไม่ว่าจะเป็นท่านสามเณรสีรูปไม่ว่าจะเป็นพระรากุนตกะพัตยเทระสามเณรราธาสามเณรบัณฑิตสังกิจจาสามเณรเหล่านี้ ก็เป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงๆแล้วก็มีเรื่องราวที่สอดคล้องกันในพระสูตรอื่นๆด้วยเราฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็ให้เป็นความรู้ธรรมฟังความรู้ของเราจะได้มีความกว้างขวางมีการที่จะเห็นแง่มุมต่างๆเพิ่มขึ้นแลายตาธรรมฟังยังมีคําถามข้อเสนอแนะใดๆสามารถไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com ได้ puredha.mm.com ข่าวจ้าพระ มาไใบบุญนะพี่บุญเน๋ะเจริญพร